12. อานิสง์แห่งการดำเนินด้วยการปฏิบัติตนเช่นที่กล่าวมานี้พบของเธอจะมีแต่ความสุขชื่อเสียงเกียรติยศจะแผ่กระจายไปในทุกทิศ ท, ทางผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอจะเคารพเธออย่างเต็มที่เหตุแห่งการตายนั้นมีมากคนที่มีชีวิตยืนยาวนั้นมีน้อย สิ่งเหล่านี้ก็เช่นกันล้วนเป็นเหตุแห่งการตายดังนั้นจงภาคเพียรในการปฏิบัติให้มากหากเธอภาคเพียรปฏิบัติเช่นนี้จิตใจเธอจะมีความสุขทั้งโลกและตัวเธอเองจะกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดด้วยการปฏิบัติเธอจะนอนหลับอย่างเป็นสุขและตื่นขึ้นมาอย่างเป็นสุขเพราะธรรมชาติภายในของเธอ จะปราศจากสิ่งมัวหมองแม้ความฝันของเธอก็จะมีความสุขหากตั้งใจดูแลบิดามารดาเคารพในธรรมคำสอนของปรมาจาร์ใช้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ารู้จักอดทนอดกลั้นใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวปิยาวาจาไม่แบ่งแยกแตกต่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ไปตลอดชีวิตเธอจะกลายเป็นกษัตริย์แห่งเทพทั้งหลายแต่แม้ว่าเธอจะกลายเป็นกษัตริย์แห่งเทพทั้งหลายเธอก็ยังคงปฏิบัติธรรมนั้นแม้ว่าเธอจะให้ทานด้วยอาหารอย่างดีนับร้อยวันละสามเวลาบุญที่เกิดขึ้นก็ยังเทียบไม่ได้กับการให้ความรักความเมตตาในทันทีทันใดนี้แม้ว่าโดยความรัก มันจะไม่ทำให้เธอหลุดพ้นแต่เธอก็จะได้รับอนิสง์แห่งความรักแปดอย่างเทพเทวดาจะเป็นเพื่อนของเธอและจะปกป้องเธอเธอจะได้รับความสุขทั้งทางกายและทางใจอาวุธและยาพิษจะทำอะไรเธอไม่ได้เธอจะสมหวังได้โดยง่ายดายและจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหม หากเธอช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้มันหนักแน่นมั่นคงเธอก็จะรู้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการรู้แจ้งหลุดพ้นที่มั่นคงอย่างขุนเขาด้วยศรัทธาเธอจะไม่ขาดพร่องจากความผ่อนคลายสบายใจด้วยศีลธรรมที่ดี เธอก็จะไปสู่พบที่ดีด้วยการคุ้นเคยกับความว่างเธอจะรู้ถึงการปล่อยวางต่อทุกๆปรากฏการ์ด้วยความไม่หวั่นไหวเธอรู้ถึงความมีสติด้วยการพินิษพิจารณาเธอจะเกิดปัญญาด้วยการรู้จักเคารพนับถือครูบาอาจารย์เธอจะบังเกิดปัญญาแจ้งชัดในความหมาย ด้วยการปกป้องรักษาคําสอนเธอจะเป็นผู้ฉลาดด้วยการหมั่นพิจารณาและถ่ายทอดคําสอนเธอจะปราศจากอุปสรรคเธอจะเป็นหมู่เดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสมปรารถนาได้โดยเร็วด้วยการไม่ยึดมั่นเธอจะบรรลุซึ่งความหมายแห่งคําสอนที่แท้จริงด้วยการไม่ตรหนีทีเนี้ยวทรัพย์สมบัติของเธอจะเพิ่มพูน ด้วยการไม่หลงตนเธอจะเป็นใหญ่และเป็นที่เคารพด้วยการคงรักษาคำสอนไว้ให้นานเธอจะบังเกิดความทรงจำอันเลิศด้วยการเสียสละสิ่งจำเป็นทั้งห้าของชีวิตรวมทั้งการไม่หวาดกลัวในสิ่งที่น่ากลัวเธอจะพ้นภัยจากหมู่มารและเธอจะกลายเป็นผู้เข้มแข็งที่สุด